คือเป็นประปักษ์ลึกลงันข้ามไปหมดมีที่เรื่องอนิจจังหนักาว่าสุขก็มีทุกขังเข้ามาเสียอนาตตาเข้ามาเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องสิ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัวธรรมก็แสดงตามความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัว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 อันแท้จริงที่สอนเพื่อดำเนินหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พอควรท่านก็สอนไว้แล้วว่าสัปะ ป, ปาปัสสะอกระนังการไม่ทาความทั่วทั้งปวงหนึ่งนั่นกุศลสู้ประสึมประดาการยังกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ชอบทําให้ถึงพร้อมน่ง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 มีเรื่อง อ, อันนี้จังทุกข์ังนาตาอยู่เป็นประจําโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ ไ, มได้จัดทะลุ ข, ขึ้นมาเป็นระหว่างสุญญากับคือไม่มีคําสั้งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจําอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ที่ไหน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 ไม่มีทําอะไรเข้ามาทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็หน่ายสุขขังอันเป็นบรมมาสุขก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาก็ไม่ผิดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติเป็นไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่ง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 เราเค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการคน้นการ พ, พิจารณานี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดังพระเจ้าเคยดําเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสังขารร่างกายและสิ่งทั่วทวไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตท่องเราได้ค้นหาที่พึงที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสาคัญท่านพิจารณา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 ลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยๆผู้อ่านอ่านแบบลอยๆไม่ได้คิดเลยกลายเป็นเรื่องศาสนามนเป็นของจาเป็นเป็นของลอยๆไปเสียทั้งๆที่ตัวเราลอยเราไม่รู้นั่นเราเห็นอ่นอื่ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องลอยๆไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลมหาหลักยึดไม่ได้มันก็มาเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจ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 ภายในตัวของเหล่านี้ตูที่อื่นมันไกลไปมุมรานอกสุ่มเอาในสุ่มนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปรบ้างเราเห็นยูทุกระยะถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ถนัดชาติปีตุขาชราปีตุขามานำปีตุขังแล้วก็สวดซะจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติปีตุขาชราปิตุขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้เพื่อเลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่าวกันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทํานองทำเนียมมันเป็นกิเลสจริงๆมันก่อควรจริงๆทําความทุกข์ให้เราจริงๆเนี่ยการแก้กิเลสการแก้ความ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 วันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะว่าผ่านไปหรือผ่านมากวก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งฉะ น, นั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขารร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันผานผ่านไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับสําหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดปิดหมายาทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการเพราะคําตายไม่มีใครต้องการ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 ผลความผิดทั้งตนเองจึงต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติพิทูขาเฮียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกแสนสาหัสเราจำไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติพิทูขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจำไม่ได้เสียเหมือนกับว่าไ ม, าม่ไม่ใช่ความจริงชาติพิทูขาขโมงกงนังนเงิ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 เต็มหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วทำไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นนี้แล้วอะไรมันถึงจะสูขก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นนั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีป่าชา้เพราะสาตัตว์ระบุคคลบังคับมันได้ด้วยกันแต่นี่เป็นสิ่งที่สูงด้วยสัย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 ดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบกกองทุกไไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแห่งทุกผลเราตัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นคำว่าเป็นสุกลื่นเลิกล้ํงกวเป็นความสําคัญของตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี่แล้วก็จะกระจะปรากฏเป็นโลกวีทูขึ้นมาเดี๋ยวรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อ ได้พิจารณาเป็นทะขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพริจารณาทาาขันเบื้องต้นพรพริจารณารูปกายดังที่ว่าด น, นี่ดูความแปรปวนเราก็ทราบได้ชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น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 แยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตัดเป็นต่าช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปป่าช้าไปสู่เมนเราดูปัดช้างเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพลิดเพลินเมื่อเห็นความจริงของสกุลร่งกายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิจฉาและอาใจมีความพ่อถอยอ่อนแอ เศาหมองภ า, ายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความรุ่นเรืองบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลําดับลํำดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหนี้มาเป็นเวลานา น, านแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเร า, ท, าทั้งท่านที่กองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใดหรือค่อยอสลัดออกเรื่อยๆตามนานาชแห่งปัญญาที่เข้าใจ ท่านเนี่ยกบบพิจารณากองรูปคือร่างกายเวทนาคือความทุกข์เอาความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นทั้งที่อาศัยกายเกิดขึ้นระหว่างกายกับเวทนารบกันเอาเราจะพูดว่ารบกันต่อสู้กันความชอบช้าจะเข้ามาสู่จิตของเรา สออย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบธรรมถ้าปัญญามไม่สามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอบธรรมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายและวไพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอกทชามกลายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสงบตัว สนุกดูทุกเวทนาได้อย่างอาจฐานาผิดกันอย่างนี้การพิจารณาเพียง2 อ, อย่างนี้ก็พอแก่การพิจารณาอยู่แล้วสัญญาเป็นความละเอียดสังขารคือความคิดความปรุงก็ชัว่วขณะขะแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือรูปคือกายของเรากับเวทนาที่แสดงตัวอยู่เสมอเสมออย่างหยาบหรืออย่างชาัดเจน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 แล้วเราก็ไม่อยากตายเราก็ไม่อยากเป็นทุกข์อันนี้แหละคือการสั่งสมทุกข์ขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วอาทุกข์ก็ทุกข์ปีเทะไลให้แสดงขึ้นมาเราเป็นผู้ที่จะฟังเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ัตริย์เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนค้นดูตามเนื้อตามหนังตามเอ็นตามกระดูกที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ค้นดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรส่วนไหนก็ส่วนนั่นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลง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 เห็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนแม้ที่สุดน่างกายจะสลาทังไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประการนี่ยประการสำคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า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 ผิดก็จริงด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารจิต ญ, ญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปก็สลายไปตามความจริงของเขาผิดก็จริงเต็มภูมิของผิดนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว เรื่องการเป็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปลสภาพลงไปเช่น น, นั้นเนี่ยผู้นี้คือพูดกรรมชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมดาธรรมดาเพราะเราพิจารณาให้ถึงให้ ถูกตามหลักธรรมชาติธรรมดาไม่ปีนตรียวไม่ฝืนหลักธรรมชาติหลักธรมกธรมดางไปสติปัญญาเดินตามหลักธรรมชาติเพร่อทำท่านสอนตามหลักธรรมชาติท่านไม่ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝูนกันเลยปล่อยตามความจริงอา้าวเป็นก็เป็นมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ปล่อยไปเสีย เพื่อนกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแข็งขันอันนี้ทาราฮเวปันจักขั้นธาตาราฮโรเจะปุคโรขันทั้งห้านี้แหละเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนะแล้วปล่อยวางขันทั้งห่านี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบตูวเป็นผู้ดับชนิดในเรื่องทุกข์ทั้งปวง จะหาที่เกิดขึ้นมาได้ภายในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแหละท่านเรียกว่านี่พานังปรามังสุขขังคือสุขล้วนๆไม่ใช่สุขด้วยทุกขเวด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขในสมมติสุขในวิมุตจึงปรามังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจนจังนิจจธรรมคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สําคัญเรื่องอื่นไม่สําคัญขอให้เจ้าของรู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสําคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไป ที่กล่าวเบื้องต้นว่าอย่างที่กีรังถาวรโรคต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้วทะกีนี้คืออมตะตังได้จะจิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจทิเลตมันถักสให้ไปสู่ภพต่างๆ ทั้งสุดท้ายที่ชำระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเอียง น, น่เราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับอนิเที่ยงก็อันเดียวกันฮีรังถาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความวาดคอาระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยโดยสิ้นเชิง คำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเนี้ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของปิเลตต์ต่างหากตัวของกองนี้อย่างทั่วหัวตาที่ต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแนี้วจึงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสบายสบายหายห่วงมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลก ท, ทั่วไปเมื่อถึงการเน้ยก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย